พัปปะริสเนี่ยแปลว่าเครื่องป้องกันเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องป้องกันเรียกว่ารัตนสูตรรัตนสูตรนั้นก็เป็นสูตรที่เกิดจากภัยทั้งหลายคือคือในตอนต้นในสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยมันมีภัยมากภัยเนี่ยแปลว่าเรื่องที่น่ากลัวเมื่อมีเรื่องที่น่ากลัวเนี่ยนะชีวิตเต็มไปด้วยความตื่นตื่นตระหนกุกเมื่อชีวิตตื่นตสนกหวาดระแวงหวั่นภาวะ ถามว่าทํำยังไงใจไม่ให้มันสะดุ้งไม่ให้จิตใจนหวาดผวาพระองค์ก็สอนให้เจริญเนี่ยให้พิจรารณารัตนสูตรหรือที่ให้พระอานน์เนี่ยเอารัตนสูตรไปแสดงและพระองค์ก็แสดงรัตนสูตรซ้ําๆกันตั้งเจ็ดวันเพราะว่ารัตนสูตรนี้เป็นเครื่องป้องกันเนะเป็นภาพปริษเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องช่วยปกปักรักษาและคุ้มครอง อย่างที่ตอนท้ายเขบอกว่าเอเจเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโฮนตุสปพทานเนี่ยนะเราสวดนั้นเราควรจะสาธยายแล้วก็สวดเพื่อความสวัสดีแก่ตัวเราเองนี่เอ่อเท่าที่สังเกตเนี่ยนะคนทั้งหลายไม่ค่อยตั้งความปรารถนาดีต่อตัวเองสักเท่าไหร่จริงอยู่ลึกๆจริงๆนั้นตัวเองเป็นผู้ที่ปรารถนาความสุขตัวเองเป็นผู้ที่ปรารถนาความเจริญแต่โดย วักายกรรมวจีกรรมและมโนโกรรมนั้นน่ะพฤติกรรมมันทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอเห็นก็โดยรวมๆแล้วคนทั้งหลายไม่ค่อยให้กำลังใจตัวเองนนี่คือรู้สึกว่ายิ่งตัวเองไม่มีความสุขเท่าใดยิ่งเหยียบย่าตัวเองเท่านั้นสังเกตดูนะเวลาเราไม่สบายใจเราเคยให้กำลังใจตัวเองไหมยากมีแต่ซ้ำเติมก็เพราะแกง้เพราะแกมันเลวเพราะแกไม่ฉลาดเนี่ยเพราะแกทาตัวมาวิบัต ก็เลยมีแต่เรียกว่าตำหนิตัวเองติแล้วติอีกเนี่ยเป็นคนช่างติโดยรวมๆใครที่ติตัวเองเท่าใดให้รู้แต่ว่าเป็นคนช่างติคนอื่นเท่านั้นนะถ้ามีโอกาสก็จะซัดคนอื่นเหมือนกันเพราะตัวเองยังไม่ละเว้นเลแล้วคนอื่นจะละเวน้นได้อย่างไรทันการเจริญเมตตาโดยการพิจารณาพระสูตรเหล่านี้เนี่ยะจะทําให้เรารู้จักให้กําลังใจให้เมตตาต่อตัวเอง อย่างขณะสมัยใดยเนี่ยสมมติว่าร่างกายของเราสมัยใดยที่ร่างกายมันกระปลกกระเปี้ยมันอ่อนเปลียมันไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยถามว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เราต้องทํางานหนั ก, น ก, นกใช่ไหมแล้วหาเรื่องยากๆมาคิดอะไรก็ได้ที่มันหนั ก, นกที่สุดแล้วก็เอาไม้มาเคาะตัวเองให้มันมากให้มันเจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดในช่วงที่เราไม่สบายถามว่าการทําเช่นนั้นเป็นความฉลาดไหมบอกไม่ฉลาดชั้นใดเอาเวลาทําไมจิตใจเราป่วยอยู่ เราไม่ค่อยสบายใจอึดอัดใจลำบากใจเครียดเป็นต้นปรับไม่ค่อยให้กำลังใจตัวเองเนี่ยนะดันั้นการอย่างรัตนาสูตรหรือการเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยเป็นพระสูตรที่ให้เมตตาต่อตัวเองให้ความเมตตาต่อตัวเองคำว่าเมตตาก็คือการคิดนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่ตัวเองเนี่ยนะให้ตัวเองมีความสุขสวัสดีมีความปลอดภัยเป็นต้นดะนั้นเราต้องหมั่นเจริญตัวนี้บ่อยๆเนี่ยนะโดยเฉพาะ รัตนสูตรเนี่ยนะรัตนสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่กล่าวอ้างอิงถึงคุณของพระรัตนไตรยของพระพุทธรัตนะพระพุทธคุณทั้งหลายโดยสังเขปพระธรรมคุณโดยสังเขปพระสังฆคุณโดยสังเขปก็คือคุณของพระรัตนไตรยโดยย่อกล่าวถึงความจริงของพระรัตนไตรยพระรัตนไตรยทรงคุณเหล่านี้นะด้วยการกล่าวสรรเสริญแล้วก็ตั้งสัจจะวาจาที่ได้กล่าวสรรเสริญเนี่ยนะเพราะการกล่าวสรรเสริญพระคุณของ พระรัตนตรายตามเป็นจริงก็เป็นการกล่าวสัจจาวาจาวันด้วยสัจจวาจาอันนี้อนุภาพของวาจาสัจทำให้ค น, นถึงความสวัสดีเพราะในโลกนี้ถามว่าอะไรจะยิ่งใหญ่และมีกำลังเท่ากับสัจจวาจาถ้าโลกนี้ทุกคนหลอกลวงหมดเลยนะไม่มีสัจจวาจาเลยเนี่ยโลกนี้จะเป็นโลกอย่างไรเป็นโลกถ้าถ้าโลกที่ไม่มีสัจจ ถ้าโลกที่ไม่มีการกล่าวความจริงทุกคนเนี่ยไม่มีการพูดความจริงแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยนะโลกจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นสัจจวาจาหนึ่งสําคัญมากสัจจวาจาเนี่ยที่กล่าวถึงความจริงและในบรรดาความจริงทั้งหลายที่ประเสริฐความจริงที่รู้แล้วพ้นทุกข์ก็คือความจริงที่รู้คุณของพระรตนะตรัยความจริงที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะนั้นการรู้ความจริงเหล่านี้แล้วก็การพูดความจริงเหล่านี้ ด้วยสัจจวาจาที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นสมุทฐานสัจจะวาจาที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นสมุทฐานรู้คุณของพระตนาไตรรู้คุณของพระตนะไตรตั้งสัจจวาจาเช่นนี้ก็อธิษฐานความปลอดภัยสวัสดีเคาะว่าตั้งเมตตาจิตให้แก่ตัวเองได้เนนะพันเมตตาเนี่ยนะใครที่จะเจริญเมตตาปกติแล้วต้องเจริญให้แก่ตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกเป็นเบื้องต้น มันถ้าหากว่าไม่เจริญให้แก่ตัวเองก่อนถ้าเป็นคนตําหนิตัวเองก่อนหรือเป็นคนชั่งติตัวเองจะมีเมตตาต่อคนอื่นได้ไม่นานเพราะคิดถึงเรื่องคนอื่นสักนิดเดียวนี่ก็ตําหนิคนอื่นละนะเพราะว่าอย่ า, ายงที่ว่าขณะตัวเองยังไม่ละเว้นแล้วคนอื่นจะไปเหลือหรือเพราะฉะนั้นก็หมั่นเจริญเมตตาให้แกตัวเองและตั้งสัจจ ว, วาจาปรารถนาแต่ความสุขปรารถนาความเจริญให้แก่ตัวเองถ้าปรารถนาความสุขความเจริญความสวัสดีให้แก่ตัวเองได้เท่าใด ใจที่เป็นเมตาก็จะน้อมไปหาผู้อื่นเท่านั้นผู้อื่นทั้งหลายที่เขาได้รับเมตตาจากเราเขาก็จะมีเมตตาต่อ